พยายามมองสิ่งต่างๆให้มันเห็นเป็นธรรมดามองให้มันเป็นธรรมดาให้มันเด็กดูแนวนั่นแ่ะเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นจริงปกติธรรมดาบอกเป็นพิเศษอย่างเป็นธรรมดามันบอกใครเป็นอย่างหรอกคือจังเข้าเจ็บใครไป่วยนี่แหละเอ้าคือว่าโอ้ยมันจิตปกติสุดนัน ภ า, ามันผิดปกติมันบมเมนธรรมดาแล้วในความคืดของเข้าแค่ขันเข้าขึ้นไปใส่ใจเนี่ยแหละมันเป็นธรรมดาอยู่เนเย็บไข่เด็กกล้วยกับเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของโลกของสังขาร น, นี่มันบอกเข้าใจมาเป็นกับเข้าเด้มันเป็นกับผู้อื่นกับเป็นมาแล้วเป็นหลายเหล่าเป็นโลกป่วยโลกไข่โลกเจ็บโลกปลวยเนี่เป็นมาโดนแล้ว เป็นกับปูก็พ่นมากทุกยุคทุกสมัยเป็นหน่อยเป็นหลายหลายจนว่าตายตายมากกวหลายแล้วแล้วคดว่าโอ้มันสมรติมันเป็นแต่กับปูแท้อะไรบ้าแมนเป็นแต่กับเขาดอกเป็นกับผู้อื่นกับเป็นเจ็บไข้เด็ป่วยมันเป็นธรรมดาของมันของเขากับพยา่งัมปรั๊บโตเขานี่ให้มันเป็นธรรมดาคือเขามันยังอยู่ได้สบาย การกระสันเราพอสบายแล้วในโลกเนี่ยมี่เจ็ดสิบไปดึงเอากับเขานีสิบไปหยาดเขาโลกนี้ไม่เป็นโลกของเขาอันนี้คว่ำเป็นธรรมดาของมันเกิดเชือว่ามันมาโฮมกันแล้วมันเกิดค่อยๆเยื่อออกกระจายออกขึ้นขึ้นไปอยู่ขึ้นเ้านั่นแหละคว่ำธรรมดามันนั่นแหละมาโฮมกันมาโฮมเล้วเขาปฏิบัให้มันเยื่อเท่านี้มันกับแผนแบนของมัน เท่ากันสิบ่เห้นมันเป็นแท้หนินี่ละ่ะมันดึงกันมันอยู่กันยิ่งสิละ่ะเราก็สู่มันว่าเดียจะเกื่อด อ, อกผู้ใดผู้ใดเกิดปัญญามสู่มาอยู่ขนเกิดกอ้อนเท่าหนิเก็มีเจ็บไครได้ป่วยป่วยแล้วกิดปัญญามละ่ะหาวิธีสิให้มันบ่แตกให้มันบ่ตายให้มันบ่ป่วยให้มันเท่าขอบคืดคือเท่านี้ละ่ะคืดว่า อันนี้มันหลดเป็นคิดปกติว่ารัเนต์ข้อมันมันเป็นปกติอยู่อันวมณ์อนนั้นมันเป็นปกติของมันอยู่อยไรเง้ยมันคุดได้คุดจป็นศิลป์คุดว่าโอ้มันเป็นปกติมันจันสิมันเป็นปกติของมันเท่ากับเฮ็ดเป็นปกติซะเอ้าต้มเจ็บต้มป่วยเป็นปกติต้มไข่ต้มตายต้มแก่ต้มเฒ่ามันหนูเป็นปกติมัจงังสั้นแต่เนา้อคือได้ยังสั้นเรา ว่มีอย่างไม่เป็นคิดเป็นไถ่ใดดอกมันก็ไปเพราะมัน่นเท่ากับไปพราะเท่ากันอันนั้นคือได้ยังส่มั่งแต่ถ้มีโอกาสไดเอาเวลาเอากำลังใจมาภาวนาเน้่ยมาทำ่ำว่วมเข้มแข็งในใจมาทำ่ำภาวนาสมาธิไปฝึกสมาธิไปปฏิบัติเดินจงกร ม, น, ามานั่งภาวนาเนี่ยจหนัดคิดจงนัดใจเนี่เทากี่ได้มีเวลาหลายขึ้ น, นีด้กันท่องบ่กไปเพราะทรามันหลาย แต่เขาห้องไปหัวซ่ามันว่ามันบริเป็นปกติแันถ้าว่ามันเป็นปกติตัวมันเป็นยังไงปกติธรรมดาของมันเลยอ้าเข้าวัดอย่าไป็หัวซ่ามันกลับมาหัวซ่าีนใจแต่ของในข้อมเืองว่าใจมันอยู่บอมันอยู่ก็ร่วมพันใจบอพันใจเข่าหันใจออกหรือหู่บอหูจะเคลื่อบอหมื่หนึ่งหูจะเคลื่อผู้สบายสิผู้ร่วมหันใจอยู่เนี่ยบอยากดอกบอถูกดอก ทุกทั้งหลายมันอยู่ปูนอยู่อันก้อนอันพุหลักบาทเนี่ยมันอยู่ไกลมันบ่มาเต็งยิดเต็งใจใหเขาดอกแั่มันบาบอลซูนบ่มาเต่งแล้วมันก็บเ่เจ็บบ่ห่อนยังได้แหรอคือไฟนี่แล้วไฟลุกบึ่มบุมอยู่ปูนอยู่ไกลไกลพุนลุกสัลุกละแม่ไหมกมับไหมละแม่มันบ่มาใหม่เข้าดอกขันเข้าบ่ไปต่อยอาาอกมาบ่ไปเอาไหมไปตอมันมาใหม่เจ้าของจะพยายามคิดจ้ะ พราพุทธศาสนาพระพุทธเจ้พพาสอนให้วิธีฝนทุกหน่ฝนโดยการถอนการปล่อยการว่างบมเมนต์ฝนโดยการเอาบเมน์ฝนโดยการเอาเอาแล้วสิฝนทุกได้ผมมีเดือมีแต่สิปลอยเพราะว่าของต่างๆในโลกนี่มันโมเมนแนวสิเอามีแต่เข้าอะล่ะเขาโบาหูจักข่วมเข้าโบตลาดเลยมานจะเอาเอาทูแน่วเ้าเนี่ย เนีจบเนวงามก็เอาเนียขี้ไล่ก็เอาแนวมักก็เอาแนวสั่งก็เอาเอาเรื่อยอันเนีมัดมัดก็เอาเมื่อหร่เมื่อคืเมื่อคอยไม่แก่นี่ละบัดแนวั้งเนี่ยพวกเป็นตเอาวเป็นจะเอามาคือดมั่นอยู่ยงเอามาคือดอยู่นั่นล่ะทันทีว่าจะฟ้องตลาดไงซอว์มึงดูทันว่าหว่างว่างสะบัดนี่ย่อวไปนี่ฮัดโลดัดว่างโลด มัย sure an ังก็ตามพู้ซื่อๆแล้วก็ว่างเลี้ยวเห็นซี่อแล้วก็ว่างก็เศร้า่าไปสะอ่อนขยันซี่แล้วพอม่อมยุขันบ่พลอยบ่ว่างกับโอ้ยมีนยังก็เต็มอางยากอยู่เนี่ยฮันแล้วไม่ใจฮะเน่ะใจกัมันยังเต็มเต็มมันจะไปใสกับบ่ได้เนี่ยฮเนี่ยจไปสวรรค์จะไปนิพพานกับไปว่าได้ละต้องจองอ้อลงมามาเกิดอี๋ คนนักหลายๆเกิดทุกเกิดเนี่ยคนี้ยิง่งฮัดแค่ฮัดปล่อยหัดว่างซะจากนีไปคหอดมือตายนี่สิได้ผู้ละลายอยู่ฮัดว่างออกเดี๋ยวนี้ห้องนักหลายเน่านักยุ้งใจเนี่ยรักไร้แน่าันปล่อยผันว่างกันได้บบมันเบาอันนั้นดอกนะมันไม่อยากดอก